กลุ่โดยดังตรินม่รู้อะไรเข้าสิไมีรู้จริงๆตอนนั้นเมื่อไรที่เทละก็มักลึกใช้คาําตอนี่ากับในรักตอนข้ากันงา ย, า ก, ายกลับใช้ถอยความที่มันทิ้มแทนให้เธอปวดจ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 หน้ากลุ่มตอนอย่าร้างสูงกบความเหนาที่บาดลึกมาถึงกล้างใจมองไปทางไหนก็คิดถึงเธอคุณนี้สุดปวดพอออกองปกครองและทะเบียนกอธมเผยสถิติการอย่าร้างสูงขึ้นเรื่อยๆแม้ไม่อยากันก็แย่กันอยู่เสียอย่างนั้น บุญที่ทําร่วมกันช่วยให้อยู่เย็นเป็นสุขเหมือนสารใ ย, ยรักให้เหนียวแน่นขึ้นเรื่อยๆส่วนบาปที่ก่อร่วมกันจะแกลงให้อยู่ร้อนนอนเป็นทุกข์เหมือนกระเทาะฐานความรักให้ร้าวเข้าทุกทีฟังอย่างนี้ทุกคนคงเข้าใจและรู้สึกว่าน่าจะเป็นเช่นนั้นปัญหาคือจะมีสักกี่คนรู้ว่าบุญคืออะไรบาปคืออะไรส่วนใหญ่ยึดเพียงภาพเห็นง่ายเช่น ทำบุญร่วมกันคือตื่นมาช่วยกันใส่บาทพระตอนเช้าที่หน้าบ้านส่วนก่อบาปร่วมกันคือช่วยกันข่าหมกศพเจ้าหนี้ไว้ที่หลังบ้านความจริงบุญกับบาปเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวันทั่วไปและเรื่องนาเศร้าก็คือหญิงชายที่อยู่ใต้ชายคาเดียวกันมักใช้ชีวิตแบบเปื้อนบาปโดยไม่รู้ตัว เพราะไม่เข้าใจให้ดีว่าบาปคือการกระทำทั้งปวงที่เจืออยู่ด้วยความโลภความโกรธและความหลงเอาแค่นินทาเพื่อนบ้านหรือสาปแช่งนักการเมืองร่วมกันอย่างเมามันเพียงเท่านี้ก็ค่อยๆสร้างรอยร้าวขึ้นได้ทีละน้อยโดยไม่รู้สึกตัวแล้วทั้งที่ตอนทำจะเหมือนสนุกร่วมกันด้วยซ้ำเซ็กเป็นเครื่องมือของธรรมชาติที่เอาไว้แกล้งสัตว์โลก คือใช้ดึงดูดสัตว์โลกเข้าหากันตอนแปลกใหม่เรายังไม่ได้กันแต่เสร็จแล้วก็ผลักใสสัตว์โลกออกจากกันตอนจำเจเพราะได้กันบ่อยถ้าเหตุผลในการแต่งงานของคุณคือเซ็ก์หรือเกี่ยวเนื่องด้วยเซ็ก์ก็แปลว่าคุณนับเวลาถอยหลังสู่การแตกแยกตั้งแต่แรกแล้วยิ่งเหนื่อยยิ่งหน่ายกายกันและกันเพียงใดสายใยระหว่างใจคุณกับคู่ครองก็ยิ่งเปื่อยลงเพียงนั้น การส่งเสริมกันทางจิตวิญญาณคือวิธีเดียวที่จะรักษาการและกันไว้ได้ตลอดรอดฝั่งฉะนั้นอาจต้องเริ่มจากจุดแรกสุดคือขอให้เลือกคนที่คุณอยากสวดมนต์ร่วมกับเขาอยากใส่บาตรร่วมกับเขาคนที่คุณอยากคิดกับเขาในทางดีอยากพูดดีๆกับเขาและอยากทำอะไรดีๆให้เขาเริ่มเดินดียิ่งเดินก็ยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆ ต่อให้ต้องเผชิญหน้าปัญหาทางการเงินเจอมือที่สหรือกระทั่งเซ็กไม่สมดุลก็ยากนักที่จะทำให้คุณแตกแยกกันได้ไดบทความจากนิตยสาราธรรมะใกล้ตัวฉบับที่36อ่านโดยโจโช ให้เราได้ลืมไม่ต้องทนเสียเวลาให้คำว่ารักเ ป, ป่าและน้ำตาได้เลือลาจงจากไปเราได้รักตัวเองเสียทีแล้วไม่ต้องมีใครมา ง, งไงยมันอาจจะทรมาจิตใจ